ธรรมชาติของความโลภโกรธหลงก็คือธรรมชาติของพุทธะนั่นเองคำสอนแห่งการปลุกให้ตื่นเวสสรัสซีมันสาระสำคัญที่สุดของทางทางนี้คือการปล่อยวางและเป้าหมายของนักปฏิบัติคือความอิสระจากปรากฏการณ์ทั้งปวง พระสุรกล่าวว่าการปล่อยวางคือความหลุดพ้นเพราะมันปฏิเสธปรากฏการทั้งหลายพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปุทุชนผู้มีจิตตื่นรู้อยู่ย่อมถึงทางแห่งการบรรลุหลุดพ้นและควรเรียกว่าพุทธะ พระสูตรกล่าวว่าบุคคลผู้อิสระแล้วจากปรากฏการ์ทั้งปวงเรียกว่าพุทธะการปรากฏขึ้นของปรากฏการ์ราวกับไม่มีปรากฏการ์ที่เห็นได้ด้วยตาแต่รู้ได้ด้วยปัญญาภายในใครก็ตามที่ได้ฟังและเชื่อคำสอนนี้ได้ล่วงเข้ามาในยานใหญ่และผลแล้วจากโลกทั้งสาม โลกทั้งสามคือความโลภโกรธหลงการพ้นแล้วจากโลกทั้งสามหมายถึงการออกมาจากความโลภโกรธหลงกลับสู่ศีล ส, สมาธิและปัญญาความโลภโกรธหลงไม่มีธรรมชาติของมันเองมันจะขึ้นอยู่กับความเป็นปุถุชน และใครก็ตามที่มีปัญญาตรายตรองใคร่ครวนก็จะสามารถเห็นได้ว่าธรรมชาติของความโลภโกรธหลงก็คือธรรมชาติของพุทธนั่นเองนอกไปจากความโลภโกรธหลงแล้วมันก็ไม่ได้มีธรรมชาติของพุทธที่ไหนอีก พระสูตรกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต่อเมื่อขณะที่เผชิญอยู่กับพิษทั้งสาแล้วสามารถทนอมตนเองอยู่ในธรรมอันบริสุทธิ์ได้พิษทั้งสามก็คือความโลภโกรธหลงนั่นเองยานใหญ่คือยานที่ใหญ่ที่สุด มันเป็นที่บรรทุกขนไปซึ่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยปราศจากการใช้อะไรเลยและผู้ที่เดินทางทั้งวันโดยปราศจากการเดินทางเลยนั่นคือยานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระสูตรกล่าวว่าไม่มียานใดเลย ที่เป็นยานของพระพุทธเจ้าใครก็ตามที่เห็นแจ้งชัดว่าประสาทสัมผัสทั้งหกนั้นไม่จริงขันทั้งห้าคือเรื่องโกหกและไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในที่ใดในร่างกายนี้เลยเขาคือผู้ที่เข้าใจภาษาของพระพุทธเจ้าพระสูตรกล่าวว่า ถ่ำของขันห้าคือห้องของเซนการเปิดขึ้นของตาในคือประตูของยานใหญ่อะไรที่จะชัดเจนกว่านี้อีกการไม่คิดอะไรเลยคือเซนหากเธอเข้าใจสิ่งนี้การยืนเดินนั่งนอนทุกสิ่งที่เธอทำคือเซน การแจ้งชัดว่าจิตนั้นว่างเปล่าคือการเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในทิศทั้งสิบร้จิตการแจ้งต่อความไร้จิตคือการเห็นพระพุทธเจ้าการเสียสละตัวเองโดยไม่ได้เสียดายคือทานที่ยิ่งใหญ่การอยู่นอกเหนือการเคลื่อนไหวและการนิ่งเฉยคือสมาธิอันสูงสุด ปุตุชนเคลื่อนไหวอยู่เสมอพระอรหันต์นิ่งเฉยแต่สมาธิอันสูงสุดนั้นนอกเหนือทั้งอาการของปุตุชนและอาการของพระอรหันต์บุคคลผู้ซึ่งเข้าใจสิ่งนี้จะอิสระจากปรากฏการ์ทั้งปวงโดยไม่ได้พยายามและสามารถทำให้โรคทั้งปวงหายได้โดยไม่ต้องรักษานี้คือพลังของเซนอันยิ่งใหญ่ การใช้จิตค้นหาสัจจะความจริงเป็นความหลงการไม่ใช้จิตค้นหาสัจจะความจริงคือความตื่นรู้การอิสระตนเองจากคำพูดและภาษาคืออิสระภาพการคงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนจากฝุ่นละอองของความรู้สึกสัมผัสทั้งหลายคือการรักษาธรรมการอยู่นอกเหนือชีวิต และความตายคือการจาริกออกจากเรือนการไม่ทุกข์กับสิ่งทั้งหลายคือการถึงทางทางนั้นการไม่สร้างความหลงคือความหลุดพ้นการไม่ผัวพันอยู่กับความไม่รู้คือปัญญาความสิ้นแล้วซึ่งความทุกข์ทรมานคือนิพพานและความไร้ซึ่งปรากฏการแห่งจิต คือฝั่งฝั่งโน้นเมื่อเธอหลงฝั่งฝั่งนี้ก็ปรากฏเมื่อเธอตื่นขึ้นมันก็ไม่ได้มีอยู่ปุตุชนอยู่บนฝั่งฝั่งนี้แต่บุคคลผู้พบความยิ่งใหญ่ของยานทุกยานจะไม่อาศัยอยู่ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นพวกเขาสามารถที่จะละทิ้งทั้งสองฝั่งได้ คนที่ยังเห็นว่าฝั่งฝั่งนี้แตกต่างกับฝั่งฝั่งโน้นอยู่เขายังไม่เข้าใจเซนความหลงหมายถึงความเป็นปุตุชนแต่ความตื่นแจ้งหมายถึงพุทธภาวะมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันก็ไม่แตกต่างกันมันเป็นเพียงเพราะมนุษย์เราแบ่งแยกความหลงออกจาก ความตื่นแจ้งเท่านั้นเมื่อเราหลงอยู่มันก็มีโลกให้ต้องหลีกหนีแต่เมื่อเราตื่นแจ้งมันไม่มีอะไรให้หลีกหนีอีกต่อไปภายใต้แสงสว่างแห่งธรรมอันบริสุทธิ์ปุถุชนมิได้แตกต่างจากปาฏิธาตทั้งหลายพระสูดรกล่าวว่าธรรมที่บริสุทธิ์คือ สิ่งที่ปุตุชนไม่สามารถเข้าถึงได้แต่นักปราดทั้งหลายก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ธรรมที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้เฉพาะโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่และพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นการมองชีวิตโดยความเป็นสิ่งที่แตกต่างจากความตายหรือมองการเคลื่อนไหว โดยเป็นสิ่งแตกต่างจากความหยุดนิ่งคือความไม่บริสุทธิ์คือความเห็นที่ยังมีการแปลกแยกอยู่ในความบริสุทธิ์ไม่มีความแปลกแยกความทุกข์ย่อมไม่แตกต่างจากนิพพานและธรรมชาติของทั้งสองล้วนว่างเปล่าโดยมโนภาพแล้วพวกเขาทําให้ความทุกข์ดับสิ้นลง และเข้าสู่นิพพานพระอระหันต์เลยไปติดกับดักอยู่ในนิพพานแต่โพธิสัตว์รู้แจ้งชัดว่าความทุกนั้นโดยแก่นแท้แล้วล้วนว่างเปล่าและโดยการคงไว้ซึ่งความว่างพวกเขาก็คงไว้ซึ่งนิพพานนิพพานหมายถึงไม่มีการเกิดไม่มีการตาย มันนอกเหนือการเกิดนอกเหนือการตายและนอกเหนือนิพพานเมื่อจิตหยุดมันก็เข้าสู่นิพพานนิพพานคือจิตที่ว่างที่ที่ปราศจากความหลงพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ถึงซึ่งนิพพานที่ที่ปราศจากความทุกข์ยากโพธิสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่สถานที่แห่งวิมุตต หลุดพ้นสถานที่ที่เหมาะสมคือที่ที่ปราศจากความโลภโกรธหลงความโลภเป็นภพของตัณหาความอยากความโกรธเป็นภพของรูปลักษณและความหลงคือภพที่ไร้รูปลักษณเมื่อความคิดจบสิ้นเธอก็ออกมาจากภพทั้งสาม การเริ่มต้นและจบลงของพบทั้งสามการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของสิ่งต่างๆล้วนขึ้นอยู่กับจิตนี่ใช้ได้กับทุกๆสิ่งแม้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต เ, เช่นเช่นหินหรือกิ่งไม้ใครก็ตามที่รู้ว่าจิตคือมายาและปราศจากสิ่งต่างๆที่เป็นจริง ย่อมรู้ชัดว่าจิตของเขาไม่เป็นทั้งสิ่งที่มีอยู่และสิ่งที่ไม่มีอยู่ปุทตุชนปรุงแต่งจิตขึ้นและอ้างว่ามันมีอยู่จริงพระอรหันต์ปฏิเสธจิตและอ้างว่ามันไม่ได้มีอยู่แต่โพธิสัตว์และพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทั้งปรุงแต่งและปฏิเสธจิต นี่คือความหมายที่ว่าจิตมิได้เป็นทั้งสิ่งที่มีอยู่และสิ่งที่ไม่มีอยู่จิตที่นอกเหนือความมีอยู่และไม่มีอยู่เรียกว่าทางสายกลางถ้าหากเธอใช้จิตของเธอศึกษาสัจจะความจริงเธอจะไม่สามารถเข้าใจทั้งจิตของเธอและสัจจะความจริง หากเธอศึกษาสัจจะความจริงโดยไม่ใช้จิตเธอจะเข้าใจทั้งสองบุคคลผู้ไม่เข้าใจย่อมไม่เข้าใจความเข้าใจส่วนบุคคลผู้เข้าใจย่อมเข้าใจความไม่เข้าใจบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมรู้ว่าจิตนั้นว่างเปล่าเขาอยู่นอกเหนือทั้งความเข้าใจและความไม่เข้าใจ การนอกเหนือทั้งความเข้าใจและความไม่เข้าใจคือความเข้าใจที่แท้จริงการเห็นด้วยสัมมาทิฐิรูปย่อมไม่ใช่รูปที่แท้จริงเพราะรูปขึ้นอยู่กับจิตและจิตย่อมไม่ใช่จิตที่แท้จริงเพราะจิตขึ้นอยู่กับรูปทั้งจิตและรูป ต่างจ้างและปฏิเสธซึ่งกันและกันสิ่งที่มีอยู่มีอยู่โดยสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่มีอยู่และสิ่งที่มิได้มีอยู่ไม่ได้มีอยู่โดยสัมพันธ์กับสิ่งที่มีอยู่นี่คือสัมมาทิฏฐิด้วยการเห็นเช่นนี้ไม่มีสิ่งใดที่ถูกเห็นและไม่มีสิ่งใดที่ไม่ถูกเห็น การเห็นเช่นนี้จะเห็นได้ทุกทิศทุกทางโดยไม่ได้เห็นเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ถูกเห็นเพราะว่าไม่มีการเห็นใดที่ถูกเห็นเพราะว่าการเห็นก็ไม่ใช่การเห็นสิ่งที่ปุตุชนเห็นล้วนเป็นมายาความเห็นที่ถูกต้องจึงไม่ยึดติดในการเห็นนั้นจิตและโลกคือสิ่งตรงกันข้าม และความเห็นที่เกิดขึ้นเมื่อทั้งสองสิ่งมาพบกันเมื่อจิตของเธอไม่ได้เคลื่อนไหวอยู่ภายในโลกก็ไม่ได้เกิดขึ้นภายนอกเมื่อทั้งโลกและจิตชัดแจ้งนั่นคือการเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจเช่นนั้นคือความเข้าใจที่ถูกต้องการเห็นที่ไม่ได้เห็นอะไรเลยคือการเข้าถึงทาง การเข้าใจที่ไม vale e ่ได e ้เข e ้าใจอะไรเลยคือการรู้ธรรมะเพราะว่าการเห็นไม่ใช่ทั้งการเห็นและการไม่เห็นและเพราะว่าการเข้าใจไม่ใช่ทั้งความเข้าใจและความไม่เข้าใจการเห็นที่ปราศจากการเห็นคือการเห็นที่ถูกต้องการเข้าใจที่ปราศจากการเข้าใจคือ การเข้าใจที่ถูกต้องการเห็นที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นเพียงการเห็นในการเห็นมันยังรวมถึงการเห็นในการไม่เห็นด้วยการเข้าใจที่ถูกต้องก็ไม่ใช่เพียงการเข้าใจในการเข้าใจมันยังรวมการเข้าใจในการไม่เข้าใจด้วยถ้าหากเธอเข้าใจทุกสิ่งเธอมิได้เข้าใจ ต่อเมื่อเธอไม่เข้าใจสิ่งใดนั่นคือการเข้าใจที่ถูกต้องการเข้าใจนั้นไม่ใช่ทั้งการเข้าใจและการไม่เข้าใจพระสูตรกล่าวว่าการไม่ปล่อยวางปัญญาคือความโง่เขลาเมื่อจิตไม่ได้มีอยู่ความเข้าใจและความไม่เข้าใจล้วนถูกต้องต่อเมื่อจิตมีอยู่ ความเข้าใจและความไม่เข้าใจล้วนผิดหมดเมื่อเธอเข้าใจสัจจะความจริงก็ขึ้นอยู่กับเธอเมื่อเธอไม่เข้าใจเธอกลับขึ้นอยู่กับสัจจะความจริงเมื่อความจริงขึ้นอยู่กับเธอสิ่งที่ไม่จริงจะกลายเป็นจริงแต่เมื่อเธอขึ้นอยู่กับความจริงสิ่งที่จริงกลายเป็นสิ่งผิด เมื่อเธอขึ้นอยู่กับความจริงทุกๆุกสิ่งล้วนผิดเมื่อความจริงขึ้นอยู่กับเธอทุกๆสิ่งล้วนถูกหมดดังนั้นปราดทั้งหลายจึงไม่ใช้จิตค้นหาความจริงหรือใช้ความจริงเพื่อค้นหาจิตหรือใช้จิตของเขาค้นหาจิตของเขา หรือใช้ความจริงค้นหาความจริงจิตของเขาไม่ได้ก่อให้เกิดความจริงและความจริงก็ไม่ได้ก่อให้เกิดจิตของเขาและเพราะว่าทั้งจิตของเขาและความจริงต่างอยู่นิ่งเขาจึงคงอยู่ในสมาธิตลอดเวลาเมื่อจิตปุตุชนปรากฏขึ้น พุทธะก็หายไปเมื่อจิตปุตุชนหายไปพุทธะก็ปรากฏขึ้นเมื่อจิตปรากฏขึ้นความจริงก็หายไปเมื่อจิตหายไปความจริงก็ปรากฏขึ้นใครก็ตามที่รู้ว่าไม่มีอะไรที่ขึ้นอยู่กับอะไรเขาได้พบทาง และใครก็ตามที่แจ้งประจักษ์ว่าจิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยเขาจะคงอยู่ในวิมุตติภาวะอยู่เสมอเมื่อเธอไม่เข้าใจเธอกำลังผิดแต่เมื่อเธอเข้าใจเธอก็ไม่ผิดนี่เพราะว่าธรรมชาติของความผิดนั้นว่างเปล่าเมื่อเธอไม่เข้าใจ ความถูกดูคล้ายกับความผิดแต่เมื่อเธอเข้าใจความผิดก็ไม่ใช่ความผิดเพราะว่าความผิดไม่ได้มีอยู่จริงพระสูตรกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่มีธรรมชาติเฉพาะของมันเองจงกระทำไม่ต้องมัวสงสัยลังเลอยู่ เมื่อเธอสงสัยลังเลเธอกำลังผิดความผิดเป็นผลของความสงสัยเมื่อเธอเข้าใจเช่นนั้นการกระทำอันผิดพลาดของเธอในอดีตก็ถูกลบล้างไปหมดเมื่อเธอหลงความรู้สึกสัมผัสทั้ง6และขันทั้งหก็ประกอบไปด้วยความทุกข์และความตาย เมื่อเธอตื่นแจ้งขึ้นความรู้สึกสัมผัสทั้งหและขันทั้งห้าก็ประกอบไปด้วยนิพพานและความไม่ตายบุคคลที่กำลังหาทางจะไม่มองข้ามตนเองเขารู้ชัดว่าจิตนั่นล่ละคือทางทางนั้นแต่เมื่อเขาพบจิตและกลับไม่ได้พบอะไรเลย และเมื่อเขาพบทางเขาก็ไม่ได้พบอะไรเลยเช่นกันหากเธอคิดว่าเธอสามารถใช้จิตค้นหาทางได้เธอกำลังหลงแต่แม้เมื่อเธอกำลังหลงความเป็นพุทธภาวะก็ยังคงมีอยู่กับเธอแต่เมื่อเธอตื่นรู้พุทธภาวะกลับไม่ได้จำเป็นต้องมีอยู่นี่เพราะว่าความตื่นรู้ คือพุทธภาวะในตัวมันเองถ้าเธอมองหาทางทางนั้นทางทางนั้นจะไม่ปรากฏจนกว่ารูปกายของเธอจะหายไปมันคล้ายกับการลอกเปลือกต้นไม้นั่นเองรูปกายแห่งกรรมนี้อยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มันไม่ได้มีความจริงแท้แน่นอนการปฏิบัติอยู่ตรงความคิดอันหลากหลายของเธอเองจงอย่าได้เกลียดชีวิตและความตายหรือรักในชีวิตและความตายรักษาทุกทุกความคิดของเธอให้ปราศจากความหลงและในชีวิตนี้เธอจะประจักษ์แจ้งต่อนิพพานและในความตาย เธอจะประสบความมั่นใจต่อความไม่เกิดอีกการได้เห็นรูปแต่ไม่แปดเปื้อนด้วยรูปการได้ยินเสียงแต่ไม่แปดเปื้อนด้วยเสียงคือความหลุดพ้นตาที่ไม่ยึดติดในรูปคือประตูแห่งเซนหูที่ไม่ยึดติดในเสียงก็คือประตูแห่งเซน ว่าโดยสรุปผู้ที่รับรู้การมีอยู่และเข้าใจธรรมชาติของปรากฏการ์โดยไม่หลงไปยึดติดกับมันคือผู้หลุดพ้นบุคคลผู้รับรู้ปรากฏการ์แต่เพียงภายนอกโดยไม่ได้เข้าใจธรรมชาติที่แท้ของมันก็จะหลงเข้าไปจมแช่อยู่ในปรากฏการ์นั้นการไม่ติดจมอยู่ในปรากฏการ์แห่งทุกข์ คือความหมายของความหลุดพ้นมันไม่ได้มีความหลุดพ้นอันอื่นอีกเมื่อเธอรู้ว่าจะรับรู้รูปอย่างไรรูปก็จะไม่ปรุงจิตจิตก็จะไม่ปรุงรูปรูปและจิตก็จะยังคงความบริสุทธิ์อยู่เช่นเดิมเมื่อความหลงหายไปจิตก็คือดินแดนแห่งพุทธะเมื่อมีความหลงปรากฏขึ้น จิตก็กลายเป็นแดนนรกปุถุชนมักจะสร้างความหลงและโดยการใช้จิตทำให้จิตเกิดเขาก็จะพบตัวเองอยู่ในแดนนรกโพธิสัตว์ทั้งหลายเห็นแจ้งในความหลงและไม่ใช้จิตทำให้จิตเกิดเขาก็จะพบตัวเองอยู่ในดินแดนแห่งพุทธเสมอ ถ้าหากเธอไม่ใช้จิตของเธอสร้างจิตทุกๆุกสภาวะของจิตก็ล้วนว่างเปล่าและทุกๆความคิดก็สงบนิ่งเธอจะเคลื่อนจากแดนแห่งพุทธหนึ่งไปสู่อีกแดนหนึ่งแต่ถ้าหากเธอใช้จิตของเธอสร้างจิตทุกทกสภาวะจิตจะถูกรบกวนและทุกๆุกความคิดจะเคลื่อนไหววุ่นวาย เธอจะเคลื่อนจากแดนนรกหนึ่งไปสู่อีกแดนหนึ่งเมื่อความคิดเกิดขึ้นมันก็มีกรรมดีและกรรมชั่วมีสวรรค์และนรกต่เมื่อไม่มีความคิดเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้มีกรรมดีและกรรมชั่วไม่ได้มีสวรรค์หรือนรกรูปร่างกายไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่หรือไม่มีอยู่ดังนั้นการมีอยู่เหมือนกับปุตุชน และการไม่มีอยู่เหมือนเช่นปราดคือบทสรุปที่ว่าผู้รู้ทั้งหลายย่อมไม่ได้ต้องกระทำอะไรใจของเขาว่างเปล่าและกว้างขวางดุจทองฟ้านั่นคือบุคคลผู้ที่มีอยู่ในทางแห่งมรรคผลอันสมบูรณ์ย่อมนอกเหนือความเป็นอรหันต์หรือปุตุชนเมื่อจิตถึงนิพพาน เธอจะไม่เห็นนิพพานเพราะจิตนั่นหละคือนิพพานหากเธอเห็นนิพพานในที่ใดที่หนึ่งนอกจิตเธอกำลังหลอกตัวเองทุกๆุกความทุกข์คือเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะเพราะว่าความทุกข์นั้นจะช่วยผลักดันให้ปุถุชนเกิดปัญญาแต่เธอสามารถกล่าวได้เพียงว่าความทุกข์ให้กำเนิดพุทธภาวะ เธอไม่สามารถกล่าวว่าความทุกข์คือพุท ธ, ธาภาวะกายจิตของเธอคือพื้นดินความทุกข์คือเมล็ดพันธุ์ปัญญาคือลำตน้นและพุท ธ, ธาภาวะคือหมากผลพุท ธ, ธในจิตคล้ายกับกลิ่นหอมของต้นไม้ พุทธมาจากจิตที่ปราศจากความทุกข์เช่นเช่นกลิ่นหอมมาจากต้นไม้ที่ปราศจากโคลนตม้มมันไม่มีกลิ่นหอมถ้าปราศจากต้นไม้และไม่มีพุธทธถ้าปราศจากจิตถ้าหากว่ามันมีกลิ่นหอมโดยปราศจากต้นไม้มันก็เป็นกลิ่นหอมที่แตกต่างออกไปถ้าหากว่ามันมีพุทธโดยปราศจากจิต มันก็เป็นพุทธะที่แตกต่างออกไปเมื่อพิษทั้งสามเกิดขึ้นในจิตของเธอเธอกำลังอาศัยอยู่ในดินแดนของความสศกปรกเมื่อพิษทั้งสามนั้นอันตรธานไปจากจิตของเธอเธอกำลังอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความบริสุทธิ์ พระสูตรกล่าวไว้ว่าถ้าหากเธอทมแผ่นดินด้วยสิ่งสกปรกและขยะจะไม่มีพุทธะที่ไหนปรากฏขึ้นมาสิ่งสกปรกและขยะนั้นหมายถึงความโลภโกรธหลงพุทธะหมายถึงความบริสุทธิ์และจิตที่ตื่นรู้มันไม่มีภาษาที่ไม่ใช่ธรรมะ การพูดตลอดทั้งวันโดยไม่ได้กล่าวอะไรคือทางทางนั้นการอยู่เงียบๆตลอดทั้งวันแต่ยังคงกล่าวหลายสิ่งหลายอย่างย่อมไม่ใช่ทางดังนั้นมันไม่ใช่ว่าคําพูดของตถาคตขึ้นอยู่กับความเงียบหรือว่าความเงียบของท่านขึ้นอยู่กับคํำพูด หรือว่าคำพูดของท่านมีอยู่ต่างหากจากความเงียบของท่านบุคคลที่เข้าใจแจ้งชัดทั้งคำพูดและความเงียบคือผู้ที่อยู่ในสมาธิถ้าเธอพูดโดยเธอรู้อยู่คำพูดของเธอนั้นอิสระถ้าเธอเงียบเฉยโดยเธอไม่รู้ความเงียบเฉยของเธอได้ถูกมัดตรึง ถ้าคำพูดไม่ได้ยึดติดกับปรากฏการ์มันอิสระถ้าความเงียบเฉยยึดติดกับปรากฏการ์มันก็ถูกมัดตรึงไว้ภาษาโดยเนื้อแท้แล้วมันอิสระมันไม่มีอะไรที่ต้องทำเกี่ยวกับการยึดติดและการยึดติดก็ไม่ต้องทำอะไรเกี่ยวกับภาษาสัจจความจริงไม่มีสูงไม่มีต่ำ หากเธอเห็นว่ามันสูงมันต่ำมันก็ไม่ใช่ความจริงแพรนั้นไม่ใช่สิ่งจริงแต่ผู้โดยสารแพนนั้นต่างหากที่จริงบุคคลผู้โดยสารแพรเช่นนั้นสามารถข้ามสิ่งที่ไม่จริงนั่นคือเหตุที่ว่ามันจริงในโลกมีผู้หญิงและผู้ชายเศรษฐีและคนยากจน แต่ในทางทางนี้มันไม่ได้มีผู้หญิงหรือผู้ชายมีได้มีเศรษฐีหรือคนยากจนแม้เมื่อเทพธิดาได้เห็นแจ้งประจักษ์ในทางถธอก็ไม่ได้เปลี่ยนเพศของเธอเมื่อเด็กชายธรรมดาตื่นแจ้งต่อความจริงเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนสถานะความเป็นเด็กของเขาเมื่ออิสระจากเพศและสถานะ เขาทั้งหลายก็มีพื้นฐานลักษณะเดียวกันเทพธิดาน้อยใช้เวลา12ปีเพื่อค้นหาความเป็นผู้ใหญ่แต่ก็ไม่สำเร็จการใช้เวลาค้นหาถึง12ปีสำหรับผู้ชายก็ไม่ได้ผลสำเร็จเช่นกัน12ปีนี้หมายถึงทางเข้าทั้ง12ทางวงเล็บอายตนะภายนอกและภายใน วงเล็บปิดเมื่อปราศจากจิตก็ไม่มีพุทธะเมื่อปราศจากพุทธะมันก็ไม่มีจิตเช่นเดียวกันเมื่อปราศจากน้ําก็ไม่มีน้ําแข็งเมื่อปราศจากน้ําแข็งมันก็ไม่มีน้ําเช่นเดียวกันใครก็ตามที่ยังบอกให้หนีหรือกําจัดสภาวะของจิตเขายังไปไม่ถึงไหนจง อย่าได้ยึดติดกับปรากฏการณ์ใดๆเลยของจิตพระสูตรกล่าวว่าเมื่อเธอไม่เห็นว่ามีปรากฏการณ์ใดๆเธอกําลังเห็นพุทธะนี่คือความหมายของการอิสระจากปรากฏการณ์ของจิตเมื่อปราศจากจิตก็ไม่มีพุทธะหมายความว่าพุทธะก็มาจากจิตนี้จิตนี้ล่ละ ที่ให้กำเนิดพุทธะแม้ว่าพุทธะจะมาจากจิตแต่จิตกลับไม่ได้มาจากพุทธะคล้ายกับปลาที่มาจากน้ำแต่น้ำไม่ได้มาจากปลาใครก็ตามที่ต้องการเห็นพุทธะก็จะต้องเห็นจิตก่อนที่จะเห็นพุทธะเมื่อขณะที่เธอเห็นปลาเธอก็จะลืมน้ำไปและขณะที่เธอเห็นพุทธะเธอก็จะลืมจิตไป หากเธอไม่ลืมจิตจิตจะรบกวนเธอคล้ายกับน้าจะรบกวนเธอถ้าเธอไม่ลืมน้ำไปความเป็นปุทุชนและพุทธภาวะก็เป็นเช่นน้ำกับน้ำแข็งการทุกทรมานโดยพิษทั้งสามคือความเป็นปุตุชนการทำให้บริสุทธิ์โดยละวางพิษทั้งสามลงคือพุทธภาวะนั่นคือ น้ำจะแข็งตัวเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาวและน้ำแข็งจะละลายเป็นน้ำในฤดูร้อนการลดตัวลงของน้ำแข็งแต่ไม่ได้มีน้ำมากขึ้นการกําจัดความเป็นปุถุชนก็ไม่ได้มีพุทธภาวะเพิ่มขึ้นมันชัดเจนที่ว่า ธรรมชาติของน้ำแข็งคือธรรมชาติของน้ำและธรรมชาติของน้ำก็คือธรรมชาติของน้ ำ, แ, รรขนำแข็งธรรมชาติของปุตุชนก็คือธรรมชาติของพุทธะทั้งความเป็นปุตุชนและความเป็นพุทธะก็ใช้ธรรมชาติเดียวกันเช่นเดียวกับยา้าูตาและฟูซู ใช้รากร่วมกันแต่คนละฤดูมันเป็นเพียงเพราะโมหะความหลงที่ใช้ความแตกต่างเราจึงมีคำว่าความเป็นปุตุชนและความเป็นพุทธะเมื่องู ก, กลายเป็นมังกร มันไม่ได้เปลี่ยนเกล็ดของมันและเมื่อพุทุชนกลายเป็นนักปราดเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนหน้าตาของเขาเขารู้จักจิตของเขาด้วยปัญญาภายในและดูแลร่างกายของเขาด้วยวิธีการภายนอกพุทุชนปลดปล่อยพุทธะและพุทธะปลดปล่อยปุทุชนนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรม พุทุชนปลดปล่อยพุทธะก็เพราะว่าความทุกข์ยากทำให้เกิดความตื่นรู้ขึ้นพุทธะปลดปล่อยปุทุชนก็เพราะว่าความตื่นรู้ช่วยกำจัดความทุกข์ในปุทุชนความทุกข์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และในความเป็นพุทธะความตื่นรู้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน ถ้าหากไม่มีความทุกข์ยากมันก็ไม่มีสิ่งใดที่จะสร้างความตื่นรู้และถ้าหากไม่มีความตื่นรู้มันก็ไม่มีสิ่งใดที่จะกาจัดความทุกข์เมื่อเธอกำลังหลงพุทธะจะช่วยปลดปล่อยปุตุชนและเมื่อเธอกำลังตื่นรู้อยู่ความเป็นปุตุชนจะปลดปล่อยพุทธะออกมาพุทธะ จะไม่กลายมาเป็นพุทธะด้วยตัวมันเองมันถูกปลดปล่อยออกมาจากความเป็นปุตุชนพุทธะนับถือความหลงเสมือนพ่อและความโลภเสมือนแม่ความโลภและความหลงก็คืออีกชื่อหนึ่งของปุตุชนความหลงและความเป็นปุตุชนเปรียบปราวกับมือซ้ายและมือขวามันไม่ได้มีความแตกต่างกัน เมื่อเธอกำลังหลงเธอกำลังอยู่บนฝั่งนี้เมื่อเธอกำลังตื่นรู้อยู่เธอกำลังอยู่บนฝั่งทางโน้นแต่เมื่อขณะที่เธอรู้ว่าจิตของเธอว่างเปล่าเธอไม่ได้เห็นปรากฏการณ์ใดๆเธอกำลังอยู่นอกเหนือความหลงและความตื่นรู้และขณะที่เธออยู่นอกเหนือความหลงและความตื่นรู้อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้มี ตถาคตไม่ได้อยู่ทั้งบนฝั่งนี้หรือบนฝั่งโน้นและท่านก็ไม่ได้อยู่ตรงระหว่างกลางพระอาหารหันต์จะอยู่ตรงระหว่างกลางและปุทตุชนอยู่บนฝั่งนี้ส่วนพุทธภ า, ภาวะอยู่บนฝั่งโน้นพุทธะมีกายสามกายคือ นิรมาณกายสัมโพคะกายและธรรมกายนิรมาณกายเรียกอีกชื่อว่ากายจำแลงหรือกายที่จุติลงมานิรมาณกายจะปรากฏเมื่อปุตุชนกระทำความดีสัมโพคะกายจะปรากฏเมื่อปัญญาถูกเพาะบ่มส่วนธรรมกายจะปรากฏ เมื่อเขามีความรู้แจ้งต่อความบริสุทธิ์นิรมานกายคือกายที่เธอเห็นจาริกไปทุกทิศทุกทางคอยช่วยเหลือผู้อื่นสัมโพคกายคือกายที่ทำให้ความสงสัยทั้งหลายสิ้นสุดลงประโยคที่ว่าการหลุดพ้นที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในเทือกเขาหิมาลายัยจึงกลายเป็นความจริงขึ้นมาทันที ส่วนธรรมกายมิได้พูดถึงกระทําสิ่งใดเลยยังคงนิ่งสงบอย่างสมบูรณ์แต่ความจริงแล้วพุทธะมิได้มีกายใดๆเลยแม้แต่หนึ่งการกล่าวถึงชื่อกายต่างๆนี้อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจของบุคคลทั้งในแบบตื้นกลางและละเอียดเท่านั้น บุคคลผู้มีความเข้าใจในระดับตื้นๆจะจินตนาการพุทธะที่พวกเขาสการะบูชาเพื่อความสุขและถือว่านิรมาณกายนั้นคือพุทธะบุคคลผู้มีความเข้าใจระดับกลางจะจินตนาการพุทธะที่ช่วยทําให้ความทุกข์สิ้นสุดลงและถือว่าสัมโภคากายนั้นคือพุทธะและบุคคลที่มีความเข้าใจในระดับละเอียด จะจินตนาการพุทธในลักษณะที่พวกเขาเคยประสบกับพุทธภาวะและถือว่าธรรมกายนั้นคือพุทธแต่บุคคลผู้มีความเข้าใจลึกซึ้งที่สุดจะดูเข้าไปภายในโดยไม่ถูกรบกวนจากสิ่งใดเพราะว่าจิตที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เท่านั้น คือพุทธะเขาจะลุถึงความเข้าใจต่อพุทธะได้โดยไม่ต้องใช้จิตกายทั้งสามนี้ก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบรรลุถึงได้และไม่สามารถอธิบายให้ชัดแจ้งได้จิตที่ไม่ถูกน่วงเหนียวด้วยความยึดติดในสิ่งใดๆเท่านั้นที่จะเข้าสู่ทางทางนี้ได้พระสูตรกล่าวว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้แสดงธรรมใดๆท่านมิได้ช่วยให้ปุถุชนหลุดพ้นและท่านมิได้แจ้งต่อพุทธภาวะนี่คือสิ่งที่ฉันหมายถึงบุคคลสร้างกรรมแต่กรรมไม่ได้สร้างบุคคลพวกเขาสร้างกรรมในชีวิตนี้ และรับวิบากของมันในชีวิตหน้าโดยไม่สามารถหนีพ้นมีเพียงบุคคลผู้ไม่สร้างกรรมใดๆเลยในชีวิตนี้ที่จะไม่ต้องรับผลวิบากใดๆพระสูตรกล่าวว่าผู้ไม่สร้างกรรมย่อมเข้าถึงธรรมนี่ไม่ใช่คำพูดลอยๆเธอสามารถสร้างกรรมแต่เธอไม่สามารถสร้างบุคคลเมื่อเธอสร้างกรรม เธอก็จะกลับมาเกิดอีกกับวิบากกรรมของเธอเมื่อเธอไม่สร้างกรรมเธอก็อันตรทานไปท่ามกลางกรรมของเธอฉะนั้นเพราะว่ากรรมขึ้นอยู่กับบุคคลและบุคคลขึ้นอยู่กับกรรมถ้าหากบุคคลไม่สร้างกรรมกรรมจะทําอะไรเขาไม่ได้ในทํานองเดียวกันกับบุคคลสามารถขยายทางให้กว้างขึ้นแต่ทาง ไม่สามารถขยายบุคคลปุตุชนยังคงก่อกรรมอยู่เสมอแต่ก็หลงยืนกลานว่ามันไม่มีผลกรรมสนองแต่เขาปฏิเสธความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นได้ไหมเขาปฏิเสธได้ไหมว่าภาวะจิตในปัจจุบันจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะหวานลงไปให้ภาวะจิตในขณะต่อไปมาเก็บเกี่ยวผล พวกเขาจะหนีไปได้อย่างไรแต่ถ้าหากภาวะจิตในปัจจุบันมิได้หวานผลอะไรภาวะจิตในขณะต่อมาก็มีต้องเก็บเกี่ยวผลอันใดอย่าได้เข้าใจผิดเรื่องกรรมเลยพระสูตรกล่าวว่าถ้าหากไม่ศรัทธาเชื่อในพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วบุคคล ผู้จินตนาการว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ที่เคร่งครัดในวินยัยประพฤติอยู่ในความสมถะอย่างยิ่งนั้นเขาเหล่านั้นมิใช่ชาวพุทธเลยเช่นเดียวกับผู้ที่คิดว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือผู้ที่จะนํามาให้ซึ่งความร่ํารวยหรือยากจนเขาเหล่านั้นลุ่นเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาไม่มีศรัทธาเลย บุคคลที่เข้าใจคำสอนของปรา์ก็เป็นปรา์ส่วนบุคคลผู้เข้าใจเพียงคำสอนของปุตุชนก็เป็นเพียงปุตุชนส่วนปุตุชนที่สิ้นหวังกับคำสอนของปุตตุชนแล้วหันมาปฏิบัติตามคำสอนของปา์เขาก็จะกลายเป็นปรา์แต่คนพลานที่โง่เขลา ชอบมองว่าปราดนั้นอยู่ห่างไกลจากพวกเขาเขาไม่เชื่อว่าปัญญาของเขาเองนั่นล่ละคือปราดพระสูตรกล่าวไว้ว่าในกลุ่มคนที่ไม่เข้าใจอย่าได้สอนอย่าได้กล่าวพระสูตรนี้เลยและพระสูตรยังกล่าวไว้อีกว่าจิตนั่นแหละคือคาสอนแต่บุคคลผู้ไม่เข้าใจ จะไม่เชื่อในจิตของเขาเองและไม่เชื่อว่าการเข้าใจคำสอนนั้นเท่ากับเขากลายเป็นปราดเสียเองพวกเขาชอบที่จะมองหาความรู้แปลกๆจากที่ไกลๆหรือปรารถนาต่อสิ่งที่มีอยู่ในอากาศอันล่องลอยเช่นนิมิตรูปพระพุทธเจ้าแสงกลิ่นหอมหรือสี เขาตกเข้าไปในบ่วงของความคิด <S <ellt>. <S และปล่อยจิตของเขาให้เกิดความวิตกกังวลวุ่นวายอยู่ในสิ่งนั้นพระสูตรกล่าวว่าเมื่อเธอเห็นว่าปรากฏการ์ทั้งหลายไม่ใช่ปรากฏการ์เธอได้ชื่อว่าเห็นตถาคต ประตูสู่สัจธรรมมากมายทั้งหลายนั้นล้วนมาจากจิตทั้งสิ้นเมื่อปรากฏการต่างๆของจิตกลับกลายโปร่งใสเช่นอากาศพวกมันก็จะหายไปหมดความทุกข์ยากที่ไม่รู้จักจบสิ้นของพวกเธอคือรากของความเจ็บป่วยเมื่อปุทุชนมีชีวิตอยู่พวกเขากังวลกับความตายเมื่อพวกเขาอิ่ม พวกเขากังวลอยู่กับความหิวมันเป็นความไม่แน่นอนอันยิ่งใหญ่แต่ผู้รู้มิได้ใส่ใจกับอดีตและมิได้กังวลเกี่ยวกับอนาคตและก็ไม่ยึดติดอยู่กับปัจจุบันในทุกๆขณะพวกเขาจึงเดินไปตามทางถ้าหากเธอมิได้ตื่นต่อความจริงอันยิ่งใหญ่นี้ เธอควรจะมองหาครูบนโลกหรือบนสวรรค์เสียจะดีกว่าจงเข้าใจความขาดตกบกพร่องของตัวเธอเองจิตมิได้เป็นสิ่งที่มีอยู่และสิ่งที่ไม่มีอยู่